วันนี้เป็นวันมาคาบูชาข อ, อกราบนิมนต์พระอาจ า, นนารย์รสแสงถามเพืเราฟังเลยครับขอโอนอบน้อมพระรัตนตยขอากราบพระอาจารย์วัฒ น, นชัยแล้วก็เพื่อนรมๆทุกท่านนะ จะเดินพรหมชมีแล้วก็ยศธรรมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันมาคบบูชานะเป็นวันเพ็ญเดือน4นะปกติก็เป็นวันเพ็ญเดือน3แต่ปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะก็เลยเลื่อนมาคบบูชาก็เป็นวันเพ็ญเดือน4นะ วิสาขะก็เลยเดือนเป็นเดือนเจ็ดอาสารหะก็เป็นเดือนแปดหนที่สองเนาะก็เดือนไปนีตามสมมติของจันทรกตินะที่เขาเป็นปฏิทินที่ใช้ในวันสำคัญทางศาสนาจริงวันนี้ก็ในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าเป็น วันมาฆะกนะเป็นวันที่ในสมัยอินเดียโบราณนะเขาก็รู้กันว่าวันนี้เป็นวันที่เหมือนคล้ายเป็นวันนํำลึกถึงครูบาอาจารย์นยในสมัยพุทธกาลเองในพรรษาแรกหลังจากที่พระเจ้าท่านตัดสู้ท่านก็สอนธรรมะนในพรรษาท่านก็สอนีนแค่ห้ารูปนะก็น่า ก็น่าแปลกใจว่าเราก็รู้กันว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยเป็นที่อยู่ของฤๅษีเป็นที่อยู่ของผู้ที่สนใจหาทางหลุดพ้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็จำภาษาที่ที่ตรงนั้นแต่มีเพียงประจะวบคีนะที่เหมือนที่เหมือนสนใจสนใจเรียนคำสอนนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ทางลางที่ตรงนั้นอาจจะมีฤาษีอยู่นะรอบๆตรงสารหน้าที่พระเจ้าท่านจำพรรษาแรกนะเยอะแยะมากมายแต่ฤาษีชีไฟพวก น, นั้นกับยังไม่สนใจในในพระธรรมนะของพระพุทธเจ้าอาจจะอาจจะมีส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะ ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าการบำเพ็ญทุกขลักกิริยานนะเป็นทางออกจากความทุกขนะ์สมัยก่อนความเชื่อเขาเชื่อว่านะคนที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องทำตัวเองให้ทุกข์มากๆบำเพ็ญร่างกายให้มึนทุกข์มอนทุกข์มากๆมันก็จะออกจากความทุกข์สิ่งที่พระเจ้าท่านคนพบนะ คือการรู้จักทุกข์นะไม่ใช่ทนทุกข์นะรู้จักทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันถึงจะเห็นสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงนะีมันถึงรู้ว่านะีทางที่จะออกจากความทุกข์อะ่ะมันต้องทําแบบไหนเมื่อทําแล้วมันได้ผลอย่างไรพระเจ้าท่านคนพบอริยสัจสี่ซึ่งในในก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครค้นพบนะ เขาเขาก็เชื่อว่าการที่ต้องบำเพ็ญทุกข ก, กิรมียาเป็นทางพ้นจากความทุกข์อันนี้คือความเชื่อส่วนใหญ่แต่ก็มีอีกลัทธิอีกหลายอย่างที่เชื่อว่าเชื่อแตกต่างกันไปนะบางบางลัทธิก็เชื่อการเป็นพวกสุขนิยมนะสแสวงหาวความสุขเพราะคิดว่าเออชีวิตที่ดีก็ควรจะมีความสุขแบบ ท, ที่เสพที่เสพได้แต่พอพระเจ้าท่านค้นพบนะทางใสกลางเข้าใจอริยสัจว์4แล้วก็สอนบัญจวคีนะก็บรญจวคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมนะเป็นพระดราหัน m ์ก็อยู่ที่นะั่นตั้งมาสมเดือนนะทำไมฤๅษีชีไฟไม่มาเรียนด้วยนะเพราะส่วนหนึ่งนะ่ก็เชื่อว่าปฏิบัติ แบบที่ตัวเองทำนั่นแหละดีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งติดสมาธินั่นแหละมัง้งนะคงได้ความสงบจากฌานสมาธินะก็เลยพอใจแค่ตรงนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เอจใจว่าสมาธิที่เป็นเพียงแค่ความสงบชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่ความทางที่จะพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงนะนะหลังจากออกบาษานนั่นแหละนะ ยศกุณฑบดค่อยได้มาเรียนธรรมะนะจากที่เดินเพอ้อนะเดินเพอ้อที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคงเดินเพอ้อมาตั้งแต่พาราณสีนะแต่ที่จริงก็อาจจะพอรู้ว่าตรงไปอิธิปันนะเนี่ยมีมีฤาษีชีพัยเยอะอาจจะอยากเดินมาเพื่อมาหาผู้รู้สักคน ที่จะให้ตัวเองออกจากความขัดข้องใจออกจากความวุ่นวายใจไดนะ้จนใกล้เจอพระพุทธเจ้าพระพเจ้าได้ยินเสียงก็เลยร้องทักว่านะที่นี่ไม่บุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เธอนะยะสะก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็เลยได้แสดงธรรมนะจนกทั่งได้เป็นอุบาสกที่เขาถึง เข้าถึงอริยะนะบุคคลนะ เ, ปเป็นรูปแรกนะก่อนที่จะบวชนะก็อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะเนี่ยเป็นองค์ที่หกแล้วก็ลังจากนั้นเพื่อนยะสะแล้วก็ต่อๆมานะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะหลังจากออกพรรษาแล้วจนทั้งเนี่ยนะบันมาคบูชา มันเพนเดือนสามเนาะในตรงพุทธกาลไม่กี่เดือนนะก็มีพระอรหันต์อย่างน้อยเนาะ1250รูปเพราะ1250รูปเนี่ยเขานับเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้เองเนะเป็นเอหิพิขุอุปสรัรมปทานะพระพเจ้าท่านสอนธรรมะตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาให้แก่ปัญจารวคีแล้วก็หลังจากนั้น นะไม่กี่เดือนนะมีพระอรหันเกิดขึ้น1250รูปพระอรหันต์เหล่านั้นแหละก็เลยกลับมารวมตัวกันองทราบนะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งรู้พระเจ้าท่านอยู่ที่ทป่าอิสิธีวัดเวรุวันนะเวรุวันารามเป็นป่าไผ่นะทีพะ่พระเจ้าพิมพิสาร น, นะพระราชทานสร้างเป็นวัดแห่งแรกนะ ในศาสนาพนระเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นพนระสงฆ์ก็เลยกลับมารวมกันก็ได้ฟังโอวาทปาติโมกอย่างที่พวกเราได้สวดเมื่อสักครู่นีนะ้ก็ถ้าเราคิดถึงสมัยพุทธกาลเนาะการเดินทางก็ลำบากการมารวมกันคนเป็นพันๆเนานะมาฟังโอวาทพระพุทธเจ้า คงต้องอาศัยความสงบมากนะอย่างเราคนยังไม่ถึงดอยเนาะถ้าไม่ใช้ไม้พูดนี่ก็เสียงก็อาจจะไม่ถึงกันลนะแต่ผู้เจ้าเจ้าสมัยก่อนก็คงไม่มีอะไรช่วยมากนะแต่มาเชื่อว่าสิ่งที่ช่วยมากก็คือผู้ฟังนี่แหละนะผู้ฟังมีความสงบนะผู้ฟังมีความตั้งใจนะผู้พูดก็พูดด้วยความ มั่นใจในสิ่งที่ท่านรู้นะแล้วก็พูดนะอย่างตรงนะตรงไปตรงมานะพูดเป็นแกนสารเป็นสาระนะพอจับไปสู่หลักในการปฏิบัติได้อันนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญนะเวลาเราเราฟังทำนะไม่ว่าจะฟังธ ร, รมจากพุทธวจนะนะที่เกิดที่ คำสอนในบทสวดสวนมนต์ที่เราได้อ่านที่เราได้สวดนี่ก็ดีนะลองพยายามน้อมเข้ามาใส่ใจของเราเนาะการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่เราทำได้ไหมนะอดีตเราเคยทำได้หรือเปล่านะตอนนี้เราตั้งใจจะทำให้มันได้ไหมอนาคตนะจะรักษาศีล น, นะให้มันบริสุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นศีลของพระศีลของแม่ชีหรือศีลของคารวาสเนะีเราจะไะไม่ทำบาปนะก็คือการไม่ทำผิดศีล น, นะแต่ที่จริงศีลที่เป็นข้อข้อเนี่ยมันก็ยังเป็นศีลดยโดยสมมุตินะในบางนิกายในบางสำนักบางทีก็ถือแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันแต่ศีลที่แท้จริงก็คือความ เป็นปกติของกายวาจานะถ้าจะรวมถึงสินที่บ่อยสุดกว่านั้นก็คือเป็นความปกติของจิตใจด้วยนะหรือจะพูดอีกอย่างศินส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิสนสมมุติที่ทําให้เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะแต่ถ้าศินประสมัติเลยเนี่ยคือสิลที่เราไม่เบียดเบียนตัวเราเองแนตะ่พูดง่ายๆว่าข้อปฏิบัติใน พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็คือการที่เราไม่เบียดเบียนตัวเราเองและการที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละชื่อว่าศีลอย่างยิ่งละนะฉะนั้นบางทีเราไม่อาจไม่จําเป็นต้องรักษาศีลตามสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหรือว่าบัญญัติที่ย่อยไปกว่า น, นั้นเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเรารักษานะรักษา กายวารใจของเราให้ปกติได้นะเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนเราเองไม่เบียดเบียนตัวเราเองให้เดือดร้อนให้ทุกใจด้วยนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลละนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะบางอย่างในสมัยพุทธกาลก็อาจจ ะ, ะเปลี่ยนแปลงด้าดังหรือไม่ได้ใช้แล้วนะหรือในบางอย่างในสมัยนี้ มีสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นเทคโนโลยีเป็นยวดยานพาหนะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างบางทีการตีความว่าไม่มีในพระไตรปิฎกนะไม่มีในสมัยพุทธกาลนั้นก็ทําได้นะก็ตีความกันไปตามความพอใจของเราเองแตถ่ถ้าเราเอาเอาหลักที่พระอาจารย์สอนว่าเนี่ยเรา ไม่เบียดเบียนตัวเราเองก็ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ดีให้ทุกข์ให้ลําบากเนี่ยอันนี้ยชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัย <punching. S 1> พระเจ้าท่านบอกสั้นๆ น, นะในโอวาทปาติโมงเนี่ยสมัยก่อนไม่มีพระยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยท่าก็สอนสั้นๆเนี่ยถ้าเราจะไปสอนผู้อื่นหรือว่าสอนแก่สามณะที่บวชแล้วก็ดีนะไม่ทําบาปทั้งปวงนะเนี่ยไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ย รู้เลยว่าอะไรคือบาปนะให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตของตนให้สะอาดให้บริสุทิ์เราลองมาพิจารณาดูดีๆนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยคืออะไรทำบาปแล้วจิตใจเราเป็นแบบไหนทำบาปแล้วจิตใจเราเศร้าหมองไหมนะทำบาปแล้วจิตใจเราทุกข์ใช่ไหม ถ้าเราไม่ทำบาปทั้งปวงจิตใจเราเป็นแบบไหนจิตใจเราก็ไม่เศร้าหมองจิตใจเราก็ไม่ทุกข์จิตใจเราก็เป็นปกติเนี่ยเพราะการทำบาปทำให้จิตใจมันเศร้าหมองนี่แหละเป็นทางสู่ความเสื่อมเป็นทางที่ไม่ไม่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์นะการไม่ทำบาปนี่แหละนะก็คือข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งการทำกุศลให้ถึงพร้อม กนะุศลนะพูดง่ายๆก็ จ, จะเรียกว่าเป็นบุญก็ได้บุญกุศลนนะแต่บุญในที่นี้ไม่ใช่เพียงเพียง <ๆ S 1> แค่ว่าการทำทานการรักษาศีลแบบมาเข้าวัดถือศีลเท่านั้นนะทำกุศลเนี่ยที่จริงคือการทำให้จิตใจมันมีความสุขใจมีความอิ่มใจเนะช่นเราทำทานทำแล้วได้ความสุขใจนะ เราได้ให้เราได้สละอะไรออกไปเนี่ยเราเกิดการแบบโล่งใจเนาะนะอย่างเช่นอภัยทานนะเราเคยโกรธคนคนนี้นะเพราะเขาเคยว่าเราเพราะเขาเคยโกงเราเพราะเขาเคยนินทาเรานะีเราก็ทุกข์ใจแต่พอเราให้อภัยเขาไปแล้วเออโล่งใจนะเรื่องราวที่เขาเคยกระทําอะไรกับเราไม่ดี เราวางได้เราเอาหสิได้เนี่ยคนที่ได้ก็คือตัวเรานะคนแรกเราได้ความสุขใจได้ความโล่งใจปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อคนอื่นนะเขาก็เองก็ปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอบรับกลับมาเพราะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะเราก็ได้ความโล่งใจด้วยความสุขใจนะทํากุศลต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องฉลเอีกอย่างม่าเป็นเรื่องของการบําเพ็ญบารมีก็ได้นะ ให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมนะพระพุทธเจ้าท่านก็บําเพ็ญบา ร, รมีนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หลายชาติมากนะบำเพ็ญขันติบา ร, รมีบ้างนะวิริยะบา ร, รมีบ้างนะหรือว่าเนคข ม, มะบา ร, รมีบ้างนะหลายอย่างบา ร, รมีทุกอย่างนี่ยแหละจะเรียกว่าเป็นการทํากุศลให้ถึงพร้อมก็ได้นะสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีเนะี่ย ถ้าเราบําเพ็ญนะเราสะสมนั่นแหละเรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมนะเป็นบันบำเพ็ญไปเรื่อยๆนะอันนั้นถ้าเราพิจารณาดีในะชีวิตประจําวันของเราเนาะบางทีเราทําอะไรนะให้กับที่เป็นประโยชน์นะต่อคนอื่นต่อส่วนรวมได้เนี่ยเราทำเนี่ยถือว่าเราทํากุศล น, นะอยู่ทุกวันเนาะอย่างเช่นแม่ชีแม่ครัวหรือว่าญาติโยมเนาะเออ ทำอาหารทำขนมทำน้ำปานะนะถวายพระหรือว่าให้ญาติทรรมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเราบำเพ็ญบารมีอย่างหนึ่งเนาะในะความขยันได้ความอดทนได้ความเสียสละเนะนี่ยเป็นกุศลที่เราทำพรนะเองอาจจะดูแลเสนาสนะกนะวาดดานวัดวนะินทบาทที่จริงก็เป็นการบำเพ็ญบารมนะีในการ ทำให้วัดมีความสะดวกสบายมีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นกิจกวัตรที่ส่งเสริมนะให้ญาติธรรมก็ได้ทำบุญทำทานด้วยเนะี่ยเราก็ทำกุศลให้มันถึงพร้อมโดยหน้าที่หรือว่าโดยโอกาสที่เหมาะสมกับเราเนี่แหละนะให้มันพอดีพอดีเนาะนะบางทีก็ไม่ใช่บ้าบุญเนาะนะทำโดย ไม่มีปัญญานะเราก็ทำให้มันเรียกว่าทำเพราะว่าอะไรทำเพราะว่าหนึ่งขัดเก่าจิตใจของเราเองนะสองทำเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ทำนะเราก็ทำเพื่อเป็นประโยชน์ตรงนั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะเราทำเราทากุศลให้ถึงพร้อมเรา ละอกุศนต่างๆไม่ทําผิดนะมันเป็นเครื่องขัดเกลาให้จิตใจมันบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะจิตใจของเราถ้าจะเปียบสมมุติว่าเหมือนกับผ้าสี ข, ขาวเนาะของไม่ฉีมนะตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็สีขาวนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆนะมันอาจจะถูกกับเศษอาหารถูกอากาศถูกกับสิ่งต่างๆมันก็มีฝุ่นมีความสกปรกมาเกาะมาติดนะ เราก็จําเป็นต้องซักต้องล้างนะอยู่บ่อยๆนะผ้ามันถึงจะขาวสะอาดนะอยู่เสมอจิตใจเดิมแท้พระพุทธเจ้าทรงก็บอกว่าจิตใจของพวกเราทุกคนเนะี่ยมันเป็นจิตที่ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะเป็นจิตที่ประพัดสอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอุปกิเลสเข้าจรเข้ามานะกิเลสนะเข้าจรเข้ามามา ห่อหุ้มจิตใจนะมาสิงสนิทอยู่ในจิตใจนะแต่จิตเดิมแท้แล้วมันบริสุทธิ์มันประพัสสอนพองใสยอยู่แล้วนะอุปกรณ์เขาจอนเข้ามาเฉยๆนะอุปกิรณ์นะเช่นความโกรธนะมันเข้ามาเนาะอย่างตอนนี้มาเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่มีใครโกรธนะถ้าเราไม่ได้คิดใช่ไหมนะถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มัน ทำให้เกิดความญหญงุดหงิดความโกรธมันก็ไม่มีความโกรธนะหลายคนก็คงไม่มีความโลภนะหลายหลายคนก็อาจจะไม่หลงไปที่อื่นนะถ้าถ้าไม่ลงไปง่วงนอนไปซึมเศร้านะอืมก็ใจก็ไม่มีกิเลสนะมาครอบงำนะเรารู้ตัวนะอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะรู้ตัวว่ากำลังนั่ง รู้ตัวว่ากาลังเคลื่อนไหวรู้ตัวถึงสภาวะอารมณ์ภายในใจนะความรู้สึกนึกคิดในใจเรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะจิตมันก็ไม่เศร้ามองเนาะจิตมันก็เป็นปกตนะิจะเรียกว่ากลับมาสู่จิตเดิมแท้ก็ได้เมื่อเรากลับมาสู่จิตเดิมแท้เนี่ยเราเห็นว่าโอ้จิตโดยปกติแล้วมันเป็นแบบนี้ ตอนขาดสตินะตอนที่เผลอไปเนาะกิเลสนะความคิดต่างๆเนะี่ยมันมาครอบงำมันมาปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็ไม่รู้ทันเนาะก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานะเป็นอุปท า, านนะในรูปบ้างในนามบ้างนะในขันทั้งห้าเลยนะนะก็เลยกลายเป็นความทุกข์เนาะ โอ้มันทุกข์ใจเพราะตรงนี้นี่เองนะที่จริงจิตที่เดิมแท้มันบริสุทธิ์ผ่องใสแบบนี้พอกิเลสมันจรเข้ามาความคิดมันจรเข้ามาอารมณ์มันจรเข้ามาเราไม่รู้ทันนะเราก็เลยเผลอไปพอใจไม่พอใจนะเกิดเป็นเวทนาขึ้นมานะก็เลยหลงไปปรุงแต่งหลงไปยึดถือโอ้ความทุกข์มันเกิดแบบนี้ แต่พอเรากลับมามีสติกลับมารู้ตัวความคิดมันก็จบไปนะสิง่งต่างๆมันก็ดับไปได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เออถ้าเราสัมผัสได้เนาะจิตเราควรจะวางแบบไหนนะให้เป็นปกติจิตแบบไหนไม่มีมความอยากนะมีการบุงแต่งเรารู้ทันไหมนะก็กลับมาสังเกตดูตัณห์นนะมี มีบทสัมภาษณ์หนึ่งนะน่าสนใจนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนแต่ตอนนี้เป็นคารวาสนะแต่ก็เปิดบวชมานานนะอาจารย์โกวิศเขมานันทะนะแต่ก่อนถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสนะตอนหลังพอได้ฟังทำจากหลวงพ่อเทียนนะก็ก็มาสนใจวิธีปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนก็มีนักเขียนคนนึงเข้าไปสัมภาษณ์นะคุณนิ้วกลมนะไปหาที่บ้านนะ าจาย์โควิดก็อายุได้เรียกกับหลวงพ่อคำเขียนเราแล้วแหล ะ, ะแต่ตอนนี้ก็เป็นเหมือนพากินสั น, นเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแต่ถ้าได้เปนสนทนาธรรมได้พูดธรรมะเนี่ยท่านก็ชัดเจนมากนะคุณยุกรมก็ถามจาย์โควิดหลายข้อแล้วแ ะ, ะแล้วก็มีถามอีกตอนหนึ่งว่าอาจารย์อาจารย์ยังปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยหรือเปล่า าจาันโกวิดด้วยวัยทิชราแล้วก็เป็นโรคดุ่มเรานะก็บอกว่าก็ถ้าปฏิบัติในรูปแบบนะก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ น, ะ า, นานแล้วนะก็อาศัยเหมือนคล้ายมีสติของมันเองในชีวิตประจําวันนะบางครั้งก็มีสติเองนะบางครั้งมันสติขาดไปสติมันก็รู้ของมันเองมันก็มันก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ อีกตอนหนึ่งท่านก็พูดว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะที่แท้จริงเนี่ยต้องไม่ดิ้นรนนะการปฏิบัติธรรมต้องไม่ดิ้นรนนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันจะดิ้นรนนะแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ความดิ้นรนก็หมดลงไปครับน่าสังเกตนะจิตที่ดิ้นรนเนี่ยโอ้ก็คือจิตที่ไม่รู้สึกตัวนะ ถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยความดิ้นรนนะดิ้นรนอยากจะได้ดิ้นรนอยากจะหายดิ้นรนอยากจะให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยจิตที่มันดิ้นรนด้วยความอยากเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือเปล่าแนะเราต้องกลับมาดูเนาะเวลาเราเราปฏิบัติธรรมเนาะต้องสังเกตจิตมันดิ้นรนัหมถ้าดิ้นรนก็ ก, ก, ก็แค่รู้สึกตัวนะ รู้สึกตัวความดิ้นรนก็จะหายไปความอยากก็จะหายไปแค่กลับมารู้สึกตัวนี่แหละจิตก็ไม่ดิ้นรนแล้วนะความปรุงแต่งต่างก็วางลงได้แล้วนะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสังเกตต้องรู้ทันสภาวะที่มันดิ้นรนก็คือความทุกข์นั่นแหละนะทุกข์ใจนะจะทุกข์มากทุกน้อยก็อยู่ที่ว่าดิ้นมากหรือดิ้นน้อยเนาะเช่นเราไม่พอใจ ใครสักคนนะเราก็ดินนนะ้นรนในการปรุงแต่งอยากจะไปต่อว่าหรือว่าไปทําอะไรกับเขาไปแก้ไขที่เขาหรือบางทีเราก็ดิ้นรนในใจของเราเองนะว่าอยากให้ความทุกข์ความโกรธนั้นะมันหายไปดิ้นรนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นดิ้นรนไปสนองตามอารมณ์หรือดิ้นรนที่จะพยายามที่จะละอารมณ์นะมันก็เป็นความดิ้นรนในใจนะ มันเป็นความทุกข์ในใจพระเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ก็คือให้กลับมาเห็นเห็นจิตเห็นใจที่มันทุกข์เนี่ยแหละหรือบางทีก็ส่งผลถึงร่างกายเลยเนาะเช่นมันโกรธมันทุกข์เนี่ยร่างกายมันก็ทุกข์ไปด้วยเนาะมันก็เครียดไปด้วยเนี่ยกลับมาดูทุกข์นะเพราะความดิ้นรนในจิตใจเนี่ยแหละดิ้นรนด้วยความพอใจหรือความไม่พอใจเนี่แหละมันเป็นความดิ้นรนเนาะ เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเออมันก็วางความดินดน้นรนจิตใจเป็นปกตินะมันมีฉันทะเข้ามาแทนที่มีความพอใจนะแต่ไม่ใช่พอใจแบบชอบชังนะแต่เป็นพอใจที่จะทำนะพอใจที่จะรู้พอใจที่จะละพอใจที่จะวางนะใจมันเกิดฉันทะนะเกิดอุเบกขาในใจเนะี่ยมันวางลงไป จิตกลับมาเป็นปกติขึ้นมาโอสภาวะตรงนี้เนาะนะเป็นเรียกว่าสภาวะนะทิพานชั่วขณะก็ได้นะเพียงแค่เรารู้สึกตัวนความดิ้นนนมันก็ดับลงไปสู่จิตใจจิตใจก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะีโอวาทโอวาทปาติโมกที่พี่ชั้สอนเรามันก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะของเราได้นะไม่ทําบาปทั้งปวงนะ ทำกุศลให้ถึงพร้อมจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสเนะี่ยทำแค่การกลับมารู้สึกตัวเนะี่ยนี่แหละนะมันครบนะในโอวาทที่พระเจ้าท่านสอนเราไวนะ้แม้เรื่องราวตรงนั้นจะ 2,600 ปีผ่านไปแล้วเนาะแต่ในวันนี้ของเราก็ทำได้เนะีนะ่ยพยายามกลับมารู้สึกตัวนะที่ปัจจุบันนะ รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวรู้สึกถึงรู้ทันถึงจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งไปนะเพียงแค่รู้นะไม่ต้องไหลนะหรือต้องตามนะกับความคิดกับอารมณ์หรือกับร่างกายนะไม่ใช่แค่ตามนะคือการแค่รู้นะการแค่ดูการแค่เห็นนะจะเรียกแบบไหนก็ได้นะจะเป็นการรู้ การดูการเห็นไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปต่อความยาวสาวความยืดกับทุกอย่างแหละเนี่ยคือสภาวะที่เราต้องฝึกนะฝึกใจให้เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นมานะ่ดูอย่างเดียวเลยดูแต่ฟึดแต่พื น, นะไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องไปพิาพาทวิจารนะนะเราแค่ดูเฉย แต่จิตมันก็จะเผลอนะเผลอไปชอบเผลอไปช่างเผลอไปคิดเผลอไปวิภาควิจารณวิตกอะไรต่างๆนะหรือบางทีก็เผลอไปมีปิติมีความสุขนะที่ไม่ใช่แบบสุขแบบสงบจริงๆนะมันก็มีขึ้นมานะมันก็เป็นอาการนะอาการของสิ่งต่างๆนะเราก็เออรู้มันเนาะเราไม่ได้ห้ามนะถึงตามมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีเหตุเนาะ เหตุเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ละทุกอย่างทิ้นเชิงนะเพราะเรายังไม่ละกิเลสอย่างทิ้นเชิงมันก็ยังมีเหตุที่จะเกิดนะมันก็เกิดของมันได้นะเราก็ไม่ได้ว่ามันเราก็เพียงแค่รู้ทันมันนะรู้ทันมันมันก็ดับลงไปนะนั้นเราก็ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความโกรธไม่ห้ามความปงแต่งไม่ห้ามความพอใจหรือความไม่พอใจแต่เรารู้ รู้พื่อรู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่ปรุงไปกับมันแล้วก็บางมันนะเราไม่ได้ห้ามแต่เราไม่ตามเนะนะเราก็ปฏิบัติด้วยกิจแบบนี้แหละนะในการทำกิจทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีหรือทางใจก็ดีนะนะในการรู้เท่าทันนะอยู่ในปัจจุบันขณะทำไม่บ่อยทำไม่บ่อยเนะี่ยเชื่อว่าเราได้เป็นผู้ที่ เดินตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเนาะนะหรือนี่ทตามโอวาทของครูบาอาจารย์ที่เราได้นับถือที่เราได้ปฏิบัติตามนี่แหละมาก็เชื่อว่าวันมาคราบูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นวันที่ทาให้เราระลึกถึงนะครูบาอาจารย์ของเรานะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะที่สอนธรรมมาพระดยส่งที่สืบต่อธรรมะ สอนกันมาจนถึงกระทั่งถึงหลวงพ่อเทียนนะถึงหลวงพ่อกำเขียนที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนะี่ยเห็นวันนี้มาทำวัดก็เห็นอาสนะหลวงพ่อที่เคยนั่งเห็นรูปหลวงพ่อนะก็เหมือนหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนเนาะเหมือนหลวงพ่อก็อยู่กับเราตลอดนะ ม, มันก็เป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งนะของผู้ปฏิบัติธรรม แล้วลึกถึงคํานึงที่หลวงพ่อเคยพูดกับอาจารย์กําพลนะหลวงพ่ออาจารย์กำพลนั้นคงอยู่ที่กุฏิคนเดียวนะกุศลหนึ่งหลวงพ่อเดินผ่านไปก็ก็เรียกว่าอาจารย์กำพลทําอะไรพะมาณนะั้นนะอาจารย์กพลก็อยู่ในห้องครับนะปฏิบัติทำอยู่นะอยู่กับไข่นะอยู่คนเดียวครับนะ หลวงพ่อก็เลยเดินเข้าไปหาจาร์พลบอกว่านี่นักปฏิบัติธรรมนะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะนักปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะมีพระเจ้าอยู่นะไม่ได้อยู่คนเดียวนะโอหลวงพ่อก็อย่างชี้ให้เห็นนะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้โดดเดียวไม่ได้เดียวดายไม่ได้เงายเงาเนาะมีพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเพื่อนนะ ที่จริงเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็อบอุ่นใจจริงๆเนาะเหมือนมีพระทัตนาตายอยู่เป็นเพื่อนจริงๆนะมีพระพุทธเจ้าอยู่นะมีพระธรรมจริงๆมีพระอริยสงฆ์มีครูบาอาจารย์อยู่กับเรานะอยู่ในตรงไหนก็อยู่ในสภาวะที่ใจเราเป็นปกติใจเรามีความสุขเมื่อ น, นั้นเราจะรู้สึกมันพอนะมันอิ่มมันเต็มไม่ต้องไปดิ้นรน ไม่ต้องไปสแสวงหาไม่ต้องไปตามหาอะไรเลยนี่คือสภาวะที่เออพารตันตนไตยอยู่ตรงไหนก็อยู่เฉพาะหน้าของเรานี่เองนี่เราจะเข้าถึงนะพระธรรมวินัยของพระเจ้าด้วยการที่เราพยายามตั้งใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนาะจะได้ไม่เป็นการเสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้มีโอกาสพบนะ คำสอนของพระพุทธเจ้านะมีครูบาจารย์ได้บอกต่อจนทั้งถึงพวกเราล้วก็ไม่ได้บอกเพียงแค่ผลเป็นแบบไหนนะแต่ยังมีวิธีการที่ชัดเจนนะสติปัฏฐาน4ีเนี่ยเป็นวิธีการที่ชัดเจนมากนะชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่มีรูปแบบนะมีหลักการนะทั้งรูปแบบด้วยนะ แล้วก็ได้ผลในการภาวนาจริงๆด้วยเนี่ยมันชัดเจนตรงนี้นะให้เราพยายามทำความเพียรเนานะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันมาคะอุชานะเป็นเลิกงามยามดีนะนะในการที่เราจะได้ตั้งใจกลับตัวกลับใจใหม่ถ้าใครเคยผิดพลาดอะไรนะในชีวิตนะทำสิ่งผิดิ้นผิดธรรมขึ้นมาก็ช้ำหัวมันละมันไป ตั้งใจใหมนะ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะละนะเราจะละอกุศลละสิ่งที่เคยทำผิดเราจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีทำกุศลให้ถึงพร้อมเราจะตั้งใจชาระจิตใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์กลับมาสู่จิตประภัสสรจิตเดิมแท้จิตปกติให้ได้นะถ้าเราตั้งใจตรง น, นี้มาก็เชื่อว่าชีวิตของเราในภายภาค ปัจจุบันนี้จนทั้งถึงภายภาคหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นชีวิตที่ดีงามเนาะนะชีวิตที่ดีงามก็คือชีวิตที่นะที่เป็นที่เรียกว่าชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ชีวิตที่มีประโยชน์นะจิตใจเรามีความสุขมีความเป็นปกติแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ดีงามเนาะ เราไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละคือชีวิตที่ดีงามนะให้เราพยายามได้ตั้งใจเนาะนก็อนุโมทากับทุกท่านเนาะนกลับพระพร้อมกัน